เรื่องอุบาศกชื่อมหาการนั่งฟังธรรมถูกฆ่าพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารกอุบาศกชื่อมหาการได้ยินว่ามหาการเป็นผู้รักษาศีลอุโบสถเดือนละแปดวันฟังธรรมตลอดคืนยันรุ่งในวิหารครั้งหนึ่ง พวกโจรลักของหนีมาทิ้งหอของไว้ข้างๆมหาการขณะฟังธรรมอยู่พวกเจ้าของทราบติดตามมาเห็นห่อของเข้าใจว่าโจรจึงทุกมหาการตายภิกษุทั้งหลายโจทย์ขานว่ามหาการฟังธรรมอยู่ตายด้วยเหตุอันไม่สมควรแต่พระสัสดาตรัสว่าเขาสมควรแก่กรรมที่ได้ทำไว้แล้วในการก่อนนั่นแล ทรงตรัสเล่าถึงบุรพกรรมของมหาการว่าในอดีตการพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้าพาราณสีพระราชาทรงตั้งราชพัทคือเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการทรงตั้งไว้คนหนึ่งที่ปากดงมีหน้าที่นําคนจากฝากนี้ไปสู่ฝากโ น, น้นนาคนจากฝากโน้นมาสู่ฝากนี้ ต่อมาชายคนหนึ่งมีภริยารูปสวยนั่งยาน้อยมาถึงที่นั้นในราชพัฒพอเห็นภริยาของเขาเกิดสิเนหาเขาเริ่มทำากนอุบายลวงสามีว่ามืดค่ำแล้วให้ที่พักที่เรือนของตนในราชพัฒแอบเอาแก้วมณีซุกไว้ในซอกแห่งยาน้อยในเวลาโจนรุ่งให้ทำเสียงเป็นว่ามีโจนเข้าบ้านลาดับนั้น เขาแจ้งแก่คนทั้งหลายว่าแก้วมณีหายไปแล้วทำทีตรวจค้นไปพบในยานน้อยกล่าวหาบุรุษผู้สามีลักไปจับตัวส่งในบ้านคือในอํอำเภอให้ช่วยกันทุบให้ตายแล้วทิ้งเสียนี้เป็นบุรภากกรรมของมหาการนั้นราชพัตนายนั้นเคลื่อนจะอัตภาพคือตายแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกไม่อยู่สิ้นกาลนาน ทุกทุกตีถึงแก่ความตายอย่างนั้นในหนึ่งอัตภาพคือหนึ่งรชาติเพราะวิบากที่ยังเหลืออยู่พระสัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบาปกรรมอันตนทำไว้นั้นแหละยอมย่ำยีสัตว์เหล่านั้นในอบายสีอย่างนี้ดังนี้แล้วจึงตรัสเป็นพระคถาว่าบาปกรรมอันตนทำไว้เองเกิดในตน มีตนเป็นแดนเกิดยอมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาซามดุดเพชรย่ำยีแก้วมณีอันเกิดแต่หินฉะนั้นในการจบเทศนาภิกษุที่มาประชุมบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ